พระอภิธรรมปิดกอภิธรรมแปลว่าธรรมะยิ่งธรรมะวิเศษธรรมะเลอ้ล้ัหรือหัวธรรมะเหมือนพูดกันว่าหัวน้าหอมหัวน้านมหัวกะทิเป็นต้นหมายถึงคำสอนที่เป็นข้อสําคัญเป็นหลักใหญ่เป็นเนื้อหาแท้ๆของพระพุทธศาสนาปิดกแปลว่าภาชนะที่บรรจุ หรือเก็บรวบรวมเช่นตะกรา้ากระบุงปุ้งกีคำพีตำราอภิธรรมปิดกจึงแปลรวมกันว่าคำพีที่รวบรวมหลักคำสอนสำคัญที่เป็นเนื้อหาแท้ๆของพระพุทธศาสนาท่านมักอธิบายโดยเทียบกับพระสูตรหรือสุดตัณต์ปิดกว่าพระสูตรเป็นคำสอนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหตุการณ์สถานที่ พระพุทธเจ้าแสดงโดยปราร บ, บุคคลและเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่งชี้แจงแนะนำให้พอเหมาะพอดีกับพื้นเทอุปนิสัยสติปัญญาความพร้อมของผู้ฟังและให้โอกาสนั้นเนื้อหาของพระธรรมที่ส่งอธิบายก็มักเป็นเพียงความหมายแง่ใดแง่งงหนึ่งหรือบางส่วนบางด้านของข้อธรรมนั้นเท่าที่จะให้คนฟังเข้าใจ และได้รับผลสำหรับคราวนั้นๆหลักธรรมก็ปะปนอยู่กับเรื่องราวความเป็นไปเกี่ยวข้องในการเทศเช่นมีตัวอย่างแทรกอยู่บ้างมีคําเปรียบเทียบเป็นอุปมาอุปไมยบ้างเป็นต้นส่วนพระอภิธรรมนั้นแสดงแต่เนื้อธรรมะล้วนๆแท้ๆไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหตุการณ์สถานที่ใดๆทั้งสิน้น เมื่อยกหลักธรรมใดขึ้นมาอธิบายก็อธิบายโดยสิ้นเชิงคือแจกแจงให้ละเอียดทุกแง่ทุกมุมครบถ้วนเต็มที่ตามหลักวิชาการให้จบไปเป็นเรื่องๆไม่คำนึงว่าใครจะอ่านใครจะฟังรวมความว่าอภิธรรมปิดกเป็นคำภีรวบรวมและอธิบายหลักธรรมตามแนวหลักวิชาการหรือโดยวิธีนักวิชาการ พูดอย่างง่ายๆว่าประสูตรว่าด้วยหลักธรรมที่นำมาให้คนใช้อภิธรรมว่าด้วยธรรมะในตำราของนักวิชาการอภิธรรมแบ่งออกเป็นเจ็ดคำพีคือสังคณีหรือธรรมะสังคณีวิพังทาตุกะถาปุคละบัญญัติกระถาวัตถุยะมะกะหรือยมกและปัฏฐาน คนโบราณกำหนดเป็นอักษรย่อให้จำง่ายเรียกว่าหัวใจอภิธรรมได้แก่สังวิทาปุกกะยะปะและมักจะเรียกว่าพระอภิธรรมเจ็ดคำพีเพื่อแยกไว้ต่างหากไม่ให้สับสนกับคำพีอภิธรรมรุ่นหลังเช่นอภิธรรมมัทธะสังหะเป็นต้นในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐของไทยส5ห้าเล่มอภิธรรมปิดกพิมพ์เป็นหนังสือสองเล่ม มีสาระสำคัญโดยย่อดังนี้สังคณีหรือธรรมสังคณีแปลว่าประมวล น, นับหรือตรวจนับข้อธรรมะคือยกหลักธรรมะแม่บทขึ้นตั้งเป็นหัวข้อถามว่าหลักธรรมนี้ได้แก่อะไรบ้างหรือประกอบด้วยข้อธรรมะย่อยอะไรบ้างแล้วนับคือแสดงให้ดูว่า หลักธรรมนี้ในกรณนีนี้ได้แก่ธรรมะข้อนี้นี้เช่นตั้งหัวข้อว่าธรรมะพวกไหนบ้างเป็นกุศลแล้วตอบชี้แจงว่าในกรณีนี้ในเวลาที่จิตเป็นอย่างนี้มีธรรมะชื่อนี้ชื่อนี้เป็นกุศลคัมภีร์สังคณีแบ่งออกเป็นตอนตอน ตอนต้นเสมือนบทนำของอภิธรรมทั้งหมดเรียกว่ามาติกาต่อจากนั้นมีตอนที่เป็นตัวแทนของธรรมะสังคณีอีกสี่ตอนมาติกาแปลว่าแม่บทหมายถึงหลัก ร, รมที่เป็นหัวข้อใหญ่ๆชุดหนึ่งชุดหนึ่งซึ่งสามารถนำเอาข้อธรรมะต่างๆทั้งหลายมาสรุปลงได้ทั้งหมดเช่น กุศลธรรมอากุศลธรรมอภพยากตะธรร ม, รรมเป็นมาติกาหนึ่งโลกิยธรรมและโลกุตระธร ร, รมเป็นมาติกาหนึ่งเป็นต้นจะเห็นได้ว่าธรรมะทั้งหลายมีอยู่เท่าใดก็ตามย่อมสรุปลงในมาติกาแต่และมาติกาได้ทั้งหมดมาติกาที่มีข้อใหญ่สามหัวข้อเรียกว่าติกะมาติกา แปลว่ามาติกาชุดสามเช่นอากุศลธรรมกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเป็นติกะมาติกาหนึ่งมาติกาอย่างนี้มีจํานวนทั้งสิ้น164มาติกามาติกาเหล่านี้ยังจัดแยกได้เป็นสองประเภทคือแม่บทแบบอภิธรรมเรียกว่าอภิธรรมมาติกา และแม่บทแบบพระสูตรเรียกว่าสุตตันตมาติกาขอยกตัวอย่างมาติกาที่น่าสนใจให้ดูดังนี้อภิธรรมมาติกาในวงเล็บหนึ่งริมาติกาหนึ่งติกะมาติกาในวงเล็บ22รรกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตธรรม และอดีตธรรมอนาคตธรรมปัจจุบันธรรมเป็นต้น 2. ทุกกะมาติกาในวงเล็บหนึ่งร้สังคตตาธรรมอสังคตธรรมรูปิธรรมอรูปิธรรมโลกิยธรรมโลกุตระธรรมสาสวะธรรมอาณาสาสวะธรรม อุปาทินนธรรมอนุปาทินนธรรมเป็นต้นสุตตันตมาติกาในวงเล็บส2สองทุกบมาติกาผานธรรมบันดิตธรรมนามรูปสัจจติฐิอุเฉธาธิฐิขันติโสรจจะสติสัมปะชัญญะสมถะ วิปัสนาเป็นต้นอีกสี่ตอนที่เหลือของธรรมสังคณีก็คือคําอธิบายของมาติกาที่กล่าวมาแล้วนั่นเองโดยเฉพาะสองตอนแรกเป็นคําอธิบายของมาติกาแรกเพียงมาติกาเดียวเท่านั้นมาติกาแรกคือกุศลอกุศลอัพยากตะตอนทั้งสี่นั้นเรียกเป็นกันกันดังนี้หนึ่ง จิตตุปาทกันตอนว่าด้วยจิตและเจตสิกอธิบายโดยยกมาติกาแรกคือกุศลอกุศลอัพยากตะจับขึ้นตั้งเป็นแม่บทและตรวจนับเจตสิกต่างๆที่เป็นกุศลอกุศลอัพยากตะซึ่งเกิดขึ้นกับจิตประเภทต่างๆในแต่ละกรณีกรณีไปตามลําดับสอง รูปประกันตอนว่าด้วยรูปตรวจนับรูปประเภทต่างๆซึ่งล้วนเป็นอัพยกากตตธรรมอยู่ในมาติกาแรกทั้งสิ้นตรวจนับอีละประเภทประเภทไปตามลำดับว่าประเภทนั้นมีรูปอะไรบ้างประเภทนี้มีรูปอะไรบ้างตามลำดับจนหมดท้ายสุดกล่าวถึงนิพพานหน่อยหนึ่งในฐานะที่เป็นอพยกากตธรรมอย่างหนึ่งด้วย 3. นิเขปกัรอธิบายมาติกาทั้งหมดทั้ง164มาติกาแต่อธิบายสั้นๆอย่างที่เรียกว่าให้คำจำกัดความไปตามลำดับจนครบทุกมาติกาสอัฐุทารกันเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอัตกฐากัน อธิบายหรือให้คำจำกัดความแก่อภิธรรมมาติกาหนึ่งร้อยสสองข้อใหญ่อีกครั้งหนึ่งแต่ไม่อธิบายสุตตันตมาติกาวิธีการอธิบายหรือให้คำจำกัดความในอัจฉรรักันเป็นอีกแนวหนึ่งต่างจากนิเขปกัรตัวอย่างเช่นอธิบายมาติกาว่าด้วยสังคตธรรมและอสังคตธรรมนิเขปกัรว่า ธรรมะเหล่าใดเป็นสังคตะธรรมะเหล่าใดมีปัจจัยธรรมะเหล่านั้นแหลเป็นสังคตะธรรมะเหล่าไหนเป็นอสังคตะธรรมะเหล่าใดไม่มีปัจจัยธรรมะเหล่านั้นแหลเป็นอสังคตะอจุทารกันว่าธรรมะเหล่าไหนเป็นสังคตะกุศลในภูมิสี่อกุศลเวิบากในภูมิสี่กิริยา อพยากฤิตในภูมิสามแล้วรูปนั้นทั้งหมดธรรมะเหล่านั้นเป็นสังคตะธรรมะเหล่าไหนเป็นอสังคตะนิพพานธรรมะเหล่านั้นเป็นอสังคต ะ, รร ะ, ค, ตะคำพีสังคณีทั้งหมดนี้รวมอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันคือเล่มที่สามสิบสี่